พรธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่ยี่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจ็ดมกราคม2557้าห้าพิธีขอเข้ามาหลวงพ่อเราได้ทำงานร่วมกันกับหมู่คณะทั้งหมดทั้งมวลร่วมกับหลวงพ่ออินด้วยทีนี้กิริยาวาจา บางสิ่งบางอย่างอาจจะกระทบกระเทือนท่านดูไม่เหมาะไม่สมไม่ควร เ, เราเป็นพระลกูกผ้าหลานอาจจะขาดสัมมาคารวะในบางการบางโอกาสก็เลยว่าวันนี้จะได้การขอขอมาลาโทษขอให้หลวงพอ่อท่านได้มีเมตตาให้พวกเราอภัยให้พวกเรามันจะได้ไม่มีบาปที่ดีๆติดตั ว, วาาอะไรอย่างนั้นเมื่อคืนได้ประชุมกันไม่อางันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถวายพระตถาคตให้พวกเราได้ ได้หันหน้ามาทางหลวงพ่ออีนนี่นะหันหน้ามาทางเชียเสียนมาทางนี้ามาทางเจีนตูนให้จะได้พาพวกเราด้วยกล้าลขอคำมาลาโทษมาลาว่า <c oughs> หลวงพ่อนให้คำขอเดี๋ยว <c oughs> แกทหารไปแล้วมัจนจะยุ่งยากไปกันขึ้นย้ายนะครับ <c oughs> พวกเราท <c oughs> ุกท่านกราบหลวพ่ <c oughs> อกราบเอาตั้งน้ำมูพร้อมกันครับผม <c oughs> นักมูตะสาปตะวะโต มหาเถรปามเดนาดาวา มหา เ, เรเ์ปามะเรนาดาวารัตเยนาคตังสัม บ, บงังฑาปาราคัมภะมุตโนทันเตอัพวกเรหมอบจับลุงครับบอกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลังผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งที่ หลงลืมรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็ตามฮะผมยินดีโอโหสิให้กับหมู่พวกเพื่อนทุกองค์และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าผมจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าการถือโทษโกรธเคืองการผูกพยาบาลอาฆาตจองเวรกันไม่เป็นผลดีสำหรับผู้ที่จะเดินทางสู่มรรคผลนิพพานเพราะนั้นขอให้พวกน้องๆทั้งหลายสบายใจหรือว่า ให้ทั้ง อ, อกตั้งใจประกอบคุณงามความดีผมเองในฐานะที่เป็นหลักในอยู่จุดนี้เป็นหลักอยู่จุดนี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นผมเองก็บางทีอาจจะพูดรุนแรงไปแต่ถึงยังไงก็หวังว่าพวกน้องๆทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคงให้อภัยเพราะว่าพวกเรามุ่ง หวังเลือกงานอยากจะให้งานของลุงปู่สำเร็จร่วมไป ด, ด้วยดีไม่ให้มีเรื่องอะไรที่จะทำให้กระทบกระเทือนหรือว่าเสียหายเพราะบางครั้งก็ต้องใช้คำความเด็ดขาดบ้างแต่ถึงยังไงกับผมเองก็พูดแล้วก็จบไปก็ไม่ได้มีอะไรก็หวังว่าน้องๆทั้งหลายคงให้อภัยหรือศรัทธาญาติโยมทุกคนกงให้อภัยสาหรับผมเองผมให้อภัยต่อ หมู่พวกน้องๆทั้งหลายคณะทายาญาติยโยมทั้งหลายดยังที่ได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราเจริญยิ่งทั้งคดีโรกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ของพวกเราหลวงปู่จามของพวกเราขอให้คุ้มครองอยู่ณสถานที่ใดก็ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขท้งกายท้งใจ อาหังขมามิตุมให้หิปิเมขมามิตับบังเอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจาปุเบปรมัชชิตวาปัจาโซนปรมัตสติโซมังโลกังปภะพาเสติอภามุตโตวจันทีมาอภิวาธนาสีฤสนิจังบุ ธ, ธาปัยิโยจัตตารูธรรมาวาัาติ อายุวันโนสุ ข, ขังภาลังสุัเต